นี่จะอธิบายธรรมะให้ฟังอธิบายธรรมะเลยไม่ต้องมีพิธีพิธองแล้วหรอกเพราะพูะตุทธเจ้าท่านแนะนำตเตือนพุทธบริษัทให้พากันเดินตามทางพระองค์พระพระองค์บอกทางให้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 น้ำเปล่าก็เอาเถอะให้ทานได้เหมือนกันง่ายนิดเดียวไปตักมาทำบุญทำทาในก็ได้เท่านั้นงานนั่งคือให้ทานยั่วยานเป็นภาหชนะคืออยัพายานภาชนะให้เป็นทานเราไม่ต้องทานมากหรอกทานเก้าบาทสิบาทเท่านั้นก็ได้ยานไม่ต้องไปซื้อไปอะไรหรอก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 มาลาคันทางนิเลประนังคือให้ดอกไม้ทูปเทียนเครื่องหอมเครื่องยอมต่างๆที่เราทำบุญทำทานได้ท้งนั้นดอกไม้ธมเถรในป่าในรกไม่เอาดอกมาวางก็มีในป่าก็มีควรที่เราจะทำบุญทำฐาน อาหากรก็ดีหาดอกไม้ดีๆก็ได้ดอกไม้ในบ้านในเมืองของเราก็มีสมเจอาวาสถังวิเรปรนังอาว่าสถังปีไปยังให้ที่อยู่ที่อาศัยอันนี้คือยากข้างหน่อยเพราะเอาไปของซื้อยากเดี๋ยวนี้ปีไปยังให้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 ขอให้ตั้งจิตได้ดีเถอะตั้งจิตมุ่งมั่นฝ่าถนาที่จะให้เป็นบุญมุตรสนนเป็นบุญทั้งหมดเองจ อ, องมากมายของที่จะไปสู่ทุกติสวรรค์นี้เท่านี้แหละไม่เอาอื่นไกลเลยหรอกคนพื้ที่จิตตั้งมั่นป่าถนาบุญคุณ เพื่อประโยชน์ของตนแล้วทำนิดเดียวก็เป็นบุญเป็นกุศลมากมายบุญไม่ใช่อยู่ที่วัตถุมากๆของมากๆแล้วจะเป็นบุญนั้นคนที่ทำบุญของมากนั้นคือต้องการเอาเกียรติเอาหน้าต้องการลอาชื่อเสีออยงต่า ง, งหากถ้าหากคู่ต้องการบุญจริงๆจังๆแล้ว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 ถ้าไปถึงสวรรค์ลแล้วเป็นไปก็ผินาวนอีกเหมือนกันอันนั้นมันยากอยู่แตหน่อยขอให้ได้ขั้นสามขั้นบางตนนี้เถอะแต่ว่าบุญเหล่านี้นั้นเป็นของยากที่จะรักษาไวใด้ก็มีบุญในใจของตน อย่างทําทุกวันทุกวันพุทธารักษ า, กษาพยายามไม่ให้จิตเสื่อมจากบุญกุศลทุกวันทุกคืนจิตใจแน่วแน่ในการบุญกุศลเมื่อเป็นชันนั้นแล้วเราทำบุญอะไรก็รักษาปัฐานนั้นไว้ไม่ให้เสื่อมแต่ว่าบุญส่วนนี้มันมัดจาก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 และไม่สามารถราจะรักษาจะหาของนั้นของวัตถุจิตของวัตถุทานจิตการนั้นได้จึงว่าให้รักใ ห, ให้ให้รักษาจิตการรักษาจิตนี่เป็นทานในในตัวเป็นอภัยาทานในในตัว ไม่ขาดตัดลักษระพระเพื่อผิดไม่ใช้ใจาะต่างนั้นเป็นอภัยฐานในนั้นนหะสมาธิแน่วแน่เต็มที่ไม่คิดถึงการวุ่นวี่นวน ว, นวายทั้งหลายลนะเรื่องแสลงหาไม่ต้องคิดหอกจิตแน่วแน่เป็นสมาธิแล้วว่าให้เกิดปัญญาพิจารณาสอด ส, สอบสิ่งทั้งหลายขอ ง, งมดที่ว่าผานที่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 ไปสวัสดิ์ฐานสินเป็นตัวๆเป็นพ่อข้อลดเยื้องแกค่ารักษาพกรสีที่ิาชาจ่ายในต่างๆเป็นพ่อขอ้อคือไม่ถึงจิตไม่ถึงใจรักษาเป็นอขอ้อห้าข้อหลายๆตัวไปแล้ว5อย่างเลยขี้เกียจรักษาสินฉะนั้นสินไม่ถาว่ร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 นี่กวัวที่จะไปรักษาตามข้พพอนะโดยที่ไม่เข้าใจนีกว่าที่ไม่พิจรารณาสิ้นชัดนั่นเดียวไม่เข้าใจในจินรักษาจิตไม่ท้าวอบอันนี้เรียกว่าปัญญามีปัญญาเ็ารักษาสินได้มั่นคง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 เพราะทานก็นเคยทานมาแล้วรักษาศีลก็เคยรักษามาแล้วส่วนภาวนานี่น้อยนักน้อยห น, น, นาน้อยคนซึงจะได้ทำเหตุนามาในวันนี้ซึ่งมาอยู่ในสถานที่นี้จึงควรที่จะอดกลั้น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 ให้หาจิตให้มันเห็นถ้าหาจิตไม่อยู่อันเดียวแล้วธรรมดาจิตของเร า, าอันเดียวหรอกไม่ใช่หลายอย่างที่มันมากมายนั่นคือเราตามจิตไม่ทันจิตมันเร็วที่สุดเร็วยิ่งกว่าลมเทาอากั้นเคิดนู่นคิดนี่ปลุกเู้นปลุกนี่อะไรต่างๆหลายอย่างหลายเรื่องมันไม่อยู่ปกติ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 ล่อให้จิตมาอยู่ในที่นั้นดังนั้นจิตมาอยู่แล้วคานนี้ท่านพุทโธได้หายไปยังเหลือใจจิตกูเดียวนั่นเลยจิตมันะเดียวแท้ๆที่เดีย ว, ยวมาอยู่พุทโธเดียวเท่านั้นแ่ะพุทโธหายไปหมดยังเหลือใจจิตอย่เดียวนั่นแหละเรียกว่าภาวนาภาวนาเป็นนั่นภาวนาถึงภาวนาเลื่อ <c oughs> คร้นเมื่อภาวนาเป็นอย่างนั้นเน่ยมันแน่วเยินอยู่อันเดียวละจับตัว น, นั้นนะมันแน่นแน่นแฟ่ย์อย่าอย่าไปสงสัยว่แวกไปนั้นนี่แต่าไม่ไม่ไม่ใช่ภาวนาคึดถึงพุทธโธอันเดียวละอันนี้มันรวมหรอมันรวมละคั้นมันถึงจิตแต่มันเข้าถึงใจแล้วค่ะนี่จิตกับใจต่างกันก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 อันนั้นทดลองดูให้เฉยๆเน่ะให้รู้จักเรื่องวิธีหาใจ